พระอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวขอเรียกมนพระอาจารย์ขึ้นหน้าจอครับอาจารย์ครับกลับนรัส ก, การครับจารานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้ผมอยู่ต่างประเทศครับอาจารย์ครับอือ่าอยู่ใกล้ๆอิหร่านเลยครับอาจารย์มา <laughs> อยู่ที่ตุรกีครับอาจารย์ครับอ่ามึงจะปลอดภัยนะ ครับผมอาจารย์มาประชุมอยู่สี่วันแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้ครับอาจารย์ครับอืมแต่ตุรกีเขาเปลี่ยนชื่อเุกีอาครับอาจารย์เปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อครับอาจารย์เป็นทุกีอาครับอเวลาตอนนี้สี่มงเย็นครับอาจารย์ครับที่ตุรกีอืมครับชานอากาตอนสี่ชั่วงครับผมครับก่อนเข้ารายการขอโอกาสครับอาจารย์เมื าพระอาจารย์บินทบาทคนเยอะอยู่ไหมครับตามปกติ 100, ประมาณ410คน410กว่าคนครับผมบางม่ายก็ 5, 150กว่า150กว่าคนรวมกันก็800กว่าครับโอ้ตอนนี้มีปกติตปกติครับตอนนี้ที่นี่ก็เกือบ800คนแล้วครับพระอาจารย์ครับอืมก็ดียังมีผู้ติดตามไม่ขาด้าย อาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สอง้อยห้าสิบหกครับแต่ขอโอกาสพระอาจารย์ถามเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับพระอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับผมคือถ้าโดยเทั่วไปการปฏิบัติธรรมแล้วมักจะไปปฏิบัติที่วัดกันหรือตามสถานสาํานักปฏิบัติธรรมที่เขาจัดเป็นคอร์สจัดเป็นที่ละเจ็ดมันมาก หวันบ้างซึ่งเริ้มต้นเขาก็จะมัรคับให้ถือศีนแต่เป็นพื้นฐานก่อนในการปฏิบัติทรรนี้ต้องการจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากหาความสุขจากรูปเสียงเกิดวัฏสงๆารเรเป็นการหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่ว่าสมาธิดังนั้นสองอย่างนี้ไปด้วยกันไม่ได้ความสงบกับการเสงรูปเสียงเกิดวัฏสงสาร มันขัดกันมันไปคนละทางกันถ้าอยากจะได้ความสงบแะความสุขจากความสงบของสมาธิก็จำเป็นจะต้องระลอกการหาความสุขจากการเสื่อมเสื่อกินนะั่นนี่เป็นที่มาของการในสิ่งแปดเป็นพื้นฐานพื้นฐานก็สิ่งข้อหนึ่งก็ห้ามฆ่าสัตนะข้อสองห้ามรักทรัพย์ข้อสา ม, สามห้า ประพฤติปิดในการนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่ไม่ประพฤติผิดไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการเสพการเลยถือสินพรหมจรรย์อภัมจริยาสินห้าเนี่อยอนุญาตให้บระลับนอนกับสามิตริยาของตนได้แต่ถ้าถือสินแปดก็จะไม่ ร, ระดับนอนอยู่ใค่ศินข้อสีก็เหมือนกับของสินห้าคอดนิ น, นการพูดปดข้อห้ า, า, าก็เรื่องของการเดินสุนราริยาขเรา ข้อหกก็มาเพิ่มเป็นจากสินห้าเพิ่มเป็นสินแปก็มีข้อหเพิ่มขึ้นมาคือไม่รับประทานอาหารหลังยากที่มันไปแล้วลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงรับประทานพอลี่ร่งางกายได้ก็พอไม่ให้รับประทานตามความอยากการรับปทานอาหารตามความอยากก็มีการเสพโรูปเสพกลิ่นลดของอาหารเนี่ยต้องการรับการรัความสุขจากการเสพโรูปเสพกลิ่นลด อาหารสิ่งก่อเจก็คือการรับการหาภาพสุขจการเสียรูเสียงกลิแนทางด้านอห้สมบัตเทิงต่างยุ่งน้ำยุ่งเพลไปเที่ยวตาสถานที่เที่ยวต่างๆนี่อะไรทาลองนี้ทางการรับบริจาคการเสริสวยความงามของร่างกายด้ยเสื้อผ้าอ่อนวิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำาด้วยน้ามันน้าหอมอะไต่าง เราต้องการงดการเสพความสุขแบบนี้แล้วก็นอนก็ไม่ให้นอนมากเกินไปนอนประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงก็พอการที่ทำให้นอนได้มากคือต้องนอนบนเตียงที่ไม่ไม่สบายไม่ไม่มีพูมนั่นนะนอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งแขงหรือนอนกับพื้นหย่อยก็ได้ถ้านอ น, นแบบนี้เวลาร่านกายได้รับผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมไม่สบายถ้านอนบนเตียงสําลานอนบนฟูกนะฮะอย่างที่โรงแรมนี้พอนอนนะครับดีร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแต่ใจยังไม่อยากจะลุกเพราะมันแสนจะสบายก็จะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงอันนี้คือพื้นฐานของการปฏิบัติต้องต้องถือศีลแปดถ้าไปปฏิบัติตามตามตา ม, ตามสูตรจ้าง ต้องการปฏิบัติแบบแบบ Intensive ซีือปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขาจะมีโปรแกรมจัดให้ล้วแต่ตื่นตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาให้ทำอะไรบ้างให้เดินโยมกรมให้นั่งสมาธิให้วายพระสวดมนให้พักรับประทานอาหารให้ทำอะไรตา่างโปรแกรมหลนี้มีไว้ก็เพื่อที่จะให้ให้รักษาสิน8แแล้วก็ให้จเจริญสติในระหว่างวันนัานแะตื่นขึ้นมา ให้มีสติอยู่ในการทํางานไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ให้มีสติเข้าอยูการเคลื่อนไวหวต่างๆของร่างกายหรือบางสํานักการจสอนให้ใช้คำพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นการเจริญสติเพราะก่อนจะนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้สติผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่น คำบริกรมพุโทโธหรือการดูการเคลื่อนไหวของร่างกา ย, ายการกระทําต่างๆของร่างกายในระหว่างวันในขณะที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิพอถึงเวลา น, นั่งสมาธิก็มานั่งดูลมหายใจเข้าออกแทนหรือถ้าจะใช้คำบริกัรมพุโทโธแทนก็ได้เพื่อควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติกํากับใจแล้วสามารถดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ไม่นานสีห้านาทีจิตก็นิ่งสงบได้เป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตสงบแล้วก็เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นลมอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติขั้นต้นเราต้องการให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลมนี้มันเป็นความสุขที่เป็นของชั่วคราวเวลาได้เสพมันก็มีมความสุข เวลาไม่ได้เสร็จมันก็จะทําให้รู้สึกเศ้าซ้อนอย่าหเหงาๆแบบนี้นเตมเศร้าได้อะนให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขเพราะว่าถ้าเราสามารถหาความสุขจากการจรัดกสตินั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องเพิ่งพาอะไรไม่แต่ร่างกายเราก็ไม่ต้องเพิ่งพาใช้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตาหูจมูกนิ้กาย ถ้าเราเสพลูกเสียงกินรสเราก็ต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายเราก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าความอยากเสพลูกเสียงกินรสนี้มันไม่อิ่มไม่พอเสพไปทั้งทั้งชาติเลยนมันแต่เกิดมาจนถึงวันตายความอยากเสพก็ยังมีอยู่พอร่างกายตายไปความอยากมันอยู่ในใจมันก็จะส่งให้ใจหรือเป็นที่เป็นดรงวิานนี้ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิด เราเกิก็ต้องมาเจอปัญหาต่างๆอย่างที่เราเจอกันเนี่ยปัญหาแต่การดำรงชีพต้องต่อสู้กับภัยต่างๆแล้วก็ยังต้องมาเจอกับภัยของร่างกายเองเรื่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดเป็นการมาเกิดนี้จึงเป็นโทษไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นคุณเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จะมองไม่เห็น มันจะคิดว่าการมาเกิดนี่เพื่อมาหาความสุขจากรามยศสนเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิกก่นรสต่างๆไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ไม่รู้ว่าเวลาที่สูญเสียรามยศสนเสรสิญสบไปนี้ใจก็จะต้องทุกข์ทรมานเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้เศร้าโศกเสียใจมากนะที่ไรก็ไม่เข็ดเสีย ส, สิ่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อพยายามไปหามาใหม่มาทดแทนเสียเงินทองไปก็พยายามตั้งหลัก ยังยศเสียตำแหน่งเขาเงตั้งหลาหยไปพยายามหาอยู่เรื่อยตะเกียงตะการไปตลอดเวลา น, น, นี่คือโทษของการหาความสุขจากรูปเสียงกินนั้นด้วยอํานาจของความอยากการมาตัญหาความอยากเสีรูปเสียงกินนั้นประมาณของเราเคือต้องการเลือกเสีรูปเสียงกินนั้นเลิกความอยากเสีมรูปเสียงกันนั้นด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วย ด้วยกำลังของสติสติ น, นี้เป็นคุณสมบัติที่เรามีอยู่ในใจของเราตอนนี้มันมีกำลังน้อยเพราะเราไม่ได้เสริมมันเราสามารถเสริมกําลังสติให้มีมากได้จนสามารถหยุดความคิดโฉมใจได้ถ้าเราหยุดความคิดโฉมใจได้จะเราก็จะสงบเกิดความสุขที่เกิดเกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่พระเจ้าบอกว่าเหนือว่าความสุขทั้งปวง ทำอย่างนั้นเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาร่างกายไม่ต้องพึ่งาตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะสามารถละการเสพความอยากจะเสพรูปเสียงกินแลน ต, าแตลาล่างๆได้เมื่อละได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปการมีวัยตายเกิของเราจะสิ้นสุดลงเราก็จะอยู่ความสงบไปชั่วนิรัดนดร์นี่ก็คือโดยสรุปของเป้าไมาย ปัญญาที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเนะี้ยรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นท่อกับจิตใจเป็นวัญญาเสติดเป็นพิกแล้วความอยากเสกก็เป็นท่อกับจิตใจเพราะเม่ออยากแล้วมันก็จะติดติดแล้วมันก็ต้องต้องอ ย, อยากอยู่เรื่อยเวลาเรายังอยากเสกแล้วไม่ได้เสกก็จะทุกข์ตลอาเมันก็ติดยาเสติดเองเพราะนั้นต้องเลิกให้ได้เลิกการอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในการ ใช้สิแแแนแบบเป็นแม่แบบไปก่อนหันเลือกตามสินแบบไปก่อนแล้วก็มายายาเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการไปฝึกสตินั่งสมาธิต้องไปปฏิบัติตามสำนักหรือตามวัดที่มีสถานที่สงบถ้าเรามา็ผู้ปฏิบัติไปนะอาจจะต้องไปเข้าคลุ่มก่อนเข้าหลักสูตรของของสำนักต่างๆเขาจะจัดมีไว้ให้ไปปฏิบัติสามวันบ้างห้าวันบ้าง มีตารางของการปฏิบัติไปควบคุมการพุชขอราตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเพราะเรายังหนูจะยังปฏิบัติไม่เป็นถ้าปล่อยให้ยืดเฉยเนี่ยก็อยากจะคว้าหามือถือนู่นนูนี่แต่ถ้าไปอยู่การําคณะปฏิบัติเนี้ยเขาจะมีเวลาคุมตลอดเวลาให้ทํากิจกรรมทางด้านด้านศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลาก็จะทําให้อื รู้จักวิธีปฏิบัติแล้วต่อไปพอเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วเราก็สามารถปฏิบัติเองได้อยู่ที่ไหนก็ได้อย่างที่คุณหมอตอนนี้ยอยู่ที่โรงแรมเขาไม่มีคนเดียวทาห้องที่นี้เป็นเป็นวัดได้แล้วเนี่ยเขาพาคุณหมอเดินโยกําอนั่งสมาี่ในวัดในห้องไปถึงศีลแปดชั่วค้าวแล้ีลขณะที่อยู่ห้องในห้องนี้ก็ถือศีลแปดไป ถ้าเราจับวิธีปฏิบัติมันก็มีแก้ประเด็นลับก็คืออยู่ที่การเจริญสตินั่นแหละให้มีสติก็ปรุงใจอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ไปคิดเลืเปลยแล้วเวลาว่างก็นั่งหลับตาทําใจให้สงบก็าหาความสุขจากความสงบถ้าได้ความสุขแล้วมันจะติดใจน้อมใเริ่มเห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิริอมเห็นคุณค่าของสติเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบ ต่อไปก็จะไม่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วถ้ามีปัญญาสอนใจว่ารูปเสียงกลิ่นแล้วเป็นเป็นอันตรายเป็นโทษเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงนะฮะเราเสพมันเราติดแล้วต้องมี ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันมีเสพอยู่เรื่อยเวล่ใดไม่มีเสพมัจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่ก็คือหลักการงา่งายๆของการปฏิบัติส่วนจะปฏิบัติมากน้อยนี่ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองที่จะต้องคำนวณครับ ขอบของการปฏิบัติเล้วของการปฏิบัติวานเดือนหนึ่งมาอยู่บางคนเนี่ยวันเดือนหนึ่งก็จะมาอยูยว 3, 5, 000, ่วัดอยู่วัดสามวันห้าวันแล้วบางคนก็จะมาทุกอาทิตย์บางคนก็มาอยู่เป็นเดือนอะไก็มีเดือนหนึ่งกลับบ้านสองสามค่ะสองสามวันแล้วกลับมาใหม่กลับาามาทำธุรกิจทางบ้านสองสามวันเสร็จแล้วกลับมาอยู่ยที่บ้านแต่ยังไม่ได้บวชบางคนอยู่ไปนานเข้าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติก็บวชเลยก็มี วันแล้วก็มาอยู่อยู่ประจำํำในกรนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกันความเข้มข้นของการปฏิบัติขึ้น อ, อยู่กับผลที่เราได้รับจากการปฏิบัติถ้าได้รับผลหน้าความอยากที่จะปฏิบัติมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะไมนไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่าความสงบเลยอันนี้ก็พูดโดยสังเกตวิธีการปฏิบัติทำเพื่อดับความทุกข์ใจดับความทุกข์ ท, กที่เกิดจากการไม่เป็น เป็นเป็นยาเป็นผู้เสพติดยายาเสพติดของรูปเสียงเกลียดรถต่างๆเราไม่รู้หรอว่าเป็นเหมือนกับยาเสพติดรูปเสียงเกลี่ดรถที่มาเสกันเวลาใดที่เราไม่ได้เสกนี่เราจะรสึกเ้าช่้อยม ห, หมายเหงาขึ้นมาทันีอาจารย์ครับก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าศีลต้องเป็นศีลแปดอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สำหรับปฏิบัติน้าปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบททัติธรรมหรือปฏิบัติแบบ วันครึงง่งชั่วโมงนะวันน่ะสามสิบชั่วโมงหนึ่งแล้วเรายังต้องไปทํามาหากินทํางานทําการอยู่ถึงสิแบแปดมันก็เป็นรักษาลาบากก็ถึงสีหน้าไปก็พอแต่สาหรับวันหยุดถ้าเราไม่ต้องไปทํางานในเวลาม่มงางไม่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับคนแล้วเราจะให้เวลาของการปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนแล้ ว, วคนจะถือสิแบแปดไม่ควรจะไปเสพนุ่มเสียงกิน ไม่สมบูรณ์ด้วยบาต้นๆท่านจะปฏิบัติอยูี่บานก็เจอสินห้าไปก่อนแล้วก็นั่งสมาธิวัลนวละครึ่งชัง่วโมงวันชั่วโมงวันวันละครั้งสองครั้งในต้นแล้ววันหยุดก็อาจจะไปเจอสิแปดปฏิบัติเข้มข้นขึ้นถ้าได้ผลดีก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเองเพาราะจำเปขอให้มันได้ผลทุกครั้งอยู่แตไ่ได้ผลทุกครั้งนึงแล้วมันจะติดใจ ความเหน่อเนื่อยเมื่อาทำทุกยากลำบากที่กิจากการนั่งมาที่มันจะหายไปเนี่ใจจะรู้สึกมีความสุขมากนความสุขที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับอาจารย์ครับคุณพัชรวัตรถามว่าการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบ บอกเล้ว่าปลายทางถือว่าเป็นแผนที่นำพาชีวิตของเราไปสู่ทางสงบใช่ไหมครับลูกขอปัญญาจากองค์หลวงพ่อครับใช่ก็การไ่สู่การหยุดพ้นจากความทุกข์ไปสู่ความสงบที่มีความสูงยิงใหญ่ที่ยั่งยืนถาวรนัออ่คือความสุขของพระนิพพานความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะฮาความสุขจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป การนอนหลับตาสวดมนต์อย่างนี้ได้ผลบุญไหมครับอาจารย์ครับคือการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งฝึกสติอย่างนึงถ้าหลับก็มันก็จะไม่ได้ผลต้องไม่หลับต้องได้สมาธิถึงจะได้บุญถึงจะได้ผลจิตต้องสงบแล้วก็ใหความสุขใจขึ้นมาเวลาถูกเข้าใจผิดหรือเจอข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเรา เราควรวางใจหรือยึดหลักธรรมในข้อใดยอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับก็เป็นเรื่องของคนที่เขาเสนอข่าวไม่ใช่เรื่องของเราตามดจเร า, กการู้ความจริงของเราว่าเป็นอย่างไงเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นเขาว่าเราเป็นควา ย, เรา เ, เ, รา เ, ยเราเป็นเราสังเกตอยู่เรามีเขาเปล่าเรามีเขาปล่าเราก็ไม่ได้เป็นควายตามที่เขาบอกเราก็ไม่ต้องไปเปิดเต้นตกใจอะไรใครอยากจะมาพิสูจน์ว่าเราเป็นใครแล้วก็มาพิสูจน์ได้ยินดีให้มาพิสูจน์ตลอดเวลา ใครก็ว่าเราโกงก็มาให้เข้ามาพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาถ้าไม่มีความกลัวอะไรถ้าเราไ ม, ไม่ไม่เป็นความความจริงเราไม่กลัวอะไรห้ามห้ามคนอื่นก็ไม่ได้ก็จะคิดอย่างไงก็แล้วคิดว่าเราดีก็ได้คิดว่าเราชั่วก็ได้คิดว่าเราเลวก็ได้เป็นเรื่องของความคิดของผู้ที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้แต่เราห้ามใจเราไม่ต้องไปวิ ต, ตกไปวุ่นตื่นเต้นตกใจกับความ ความคิคําพูดของผู้อนก็ได้ที่เราห้ามไม่ได้เพาเรายังไม่มีสมาธิเราฝึกไม่ได้ฝึกสตินั่งสมาธิกันใจเราไม่หนักแน่นใจเรายังเสพอารมณ์อยู่เสพเสพคําพูดของผู้อยู่เสพเสียงของผู้อยู่ถ้าเสียงที่เขาพูดเป็นเสียงชมเนิยมดีอง ด, ดีใจถึงแม้จะไม่เป็นความจริงเราก็ยังยังชอบเลยใช่ไหมเพราะคุณหล่อแล้วเกินคุณใจดีแล้วเกินอะไรอีคนดีนะเน ทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ว่าแต่ใจมันชอบแล้วก็ตรงกันข้ามเขาบอกว่าเราเลวเราไม่ไม่ไม่ดีทั้งที่เราก็ไม่ได้เลวตอนนี่เขาพูดเราก็เสียใจตามที่เขาพูดเพราะเราไม่มีไม่มีความหนักแน่นไม่มีความไม่มีสติไม่มีสมาธินั่นเองถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิเราจะมีความหนักแน่นมีอุเบกขาเราจะวางเฉยกับรูปเสียงกลิ่นวัที่เราเสัมผัสได้ โชดีผมได้พระอาจารย์คอยสั่งสอนนะครับพระอาจารย์ได้ได้ข่าวที่เป็นเฟกนิวส์อะไรเยอะเลยครับพระอาจารย์ครับไม่ตืเนเนะต้นตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เส็จเลยไปแล้วครับพระอาจารย์ครับนี่ถึงที่ทานก็ตายตื่นตูมว่ยาไปได้ยินไหมก็ตายตื่นตูมก็ตายนอนอยู่ใต้ต้นคนต้นตาลต้นตาลลงลมพันแรงทําให้ลูกตาลตกลงมาก็ตายตื่นตกใจขึ้นมาคิดว่าแผ่นดินถล่มวิ่งหนีจ้าละวัน สัตว์อื่นเห็นเข้าถาำนี้อะไรว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินถลม่มค็วิ่งตื่นตะนอนี้กันตามใหญ่เจอรู้เจอราชสีมาจะเสีวให้กิดอะไรขึ้นวิ่งนี้อะไรมาที่กระต่ายก็ต้องบอกว่ามีแผ่นดินแผ่นดินถลม่มราชสีบอกต้องไหนพาไปดูหน่อยทีกระต่ายทำหน้าที่กลัวก็ต้องไปเพราะกลัวราชสีมากกว่ากลัวแผ่นดินถลมอมพอไปถึงที่ราชสีก็สำรวจดูอ้าวก็มีแค่ลูกตาลหล่นลงมา รุเดียวนี้เองที่กระต่ายนอนอยู่ตรงนี้ก็ตื่นตกใจขึ้นมาอันนี้น่ะความตื่นตระหนกของคนโดยที่ไม่ไม่ใช่เหตุใช่ผลพิจารณาก่อนพระอาจารย์ถึงสอนในการรับสูตเนี้ว่าอย่าไปอย่าไปเชื่อใครเวลาเขาพูดอะไรต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือมันจริงก่อนถึงจะเชื่อได้ทําไมถึงบอกว่านั่งสมาธิดีกว่ารักษาสีนครพระอาจารย์ ข้อสูงมันมากกว่ากันไงนักดาเซนข้อสูงมันาจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นัสมาธิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไมันตางกันมากนี่ครับอาจารย์มีคนถามหรอกว่ามีข่าวจากโซเชียลว่าสวจะยกเลิกสามสิบาทจริงหรือเท็จเนี่ยครับเขาไปปล่อยข่าวว่าสวจะยกเลิกโครงการสาสิบาทครับอาจารย์ทางกาที่ไม่มีเลครับอาจารย์ครับนี่เป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว พรแกรมหน้าเขาป็นโปรแกรมหน้าแต่ละฝ่ายก็ปล่อยขา่าว โ, โ น, น, นั่นเรียกว่าเพ้นท์เนอร์กันมาการให้เกิดความตื่นเต้นให้เกิดความจ้าละหวันขึ้นมาเพรางั้การการเสพข่าวและการเสพอะไรนี่เราต้องใช้การลามาสู่ใช้เสติใช้ปัญญาก่อนจะเชื่อต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่หรือไม่เป็นจริง เชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราต้องถือใจเป็นกลางไว้ก่อนมันก็หาหาข้อมูลต่างๆมาพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงเท็ที่เขาพูดหรือไม่อาจจะต้องไปสอบถามแ ห, หล่งข่าวที่ที่น่าเชื่อถือได้สองสามแหล่งดูถ้าไม่มีการยืนยันกันอย่างนั้นก็ว่าไม่ใช่เป็นข่าวจริงนะผมเพิ่งเห็นวิธีการของเขาว่าเขาใช้ เป็นไอจริงๆครับอาจารย์ออกมาเหมือนกันก๊อปปี้กันมาแต่ออกพร้อมกันหลายๆเพจจนคนตื่นตกใจไปคิดว่าเป็นเรื่องจริงไปหมดเลยครับอาจารย์ครับมีคนถามผมไม่เยอะนะครับือไม่จริงนะครับสาสิบบาทยังอยู่นะครับในนี้ยังถามเลยครับอาจารย์แอาหารกลางวันนี้ไปแล้วฉันไม่ได้มีอะไรอาหารกลางวันอาหารกลางวันนี้สกีนกันเองครับอาจารย์ครับเองครับผม ตอนนี้นะครับไม่รู้ต่อไปจะเปลี่ยนอีกไหมนะครับอาจารย์ไม่มีแน่ น, น, นอนครับผมมีโรคเรื้อรังปวดมากเวลานั่งสมาธิจะปวดหนักมากขึ้นทำให้ไม่สามารถดูลมได้ส่วนใหญ่จึงมาดูความปวดด้วยใจกลางๆงเห็นการเปลี่ยนแปลงของความปวดมากน้อยบางครั้งเห็นโทสะที่ไม่ชอบความปวดก็ดูเห็นโทสะดับอย่างนี้ทำถูกไหมครับ กตาด้ถ้าทําด้ให้สงบได้ก็กถูกว่าหมายก็คือทําใจสงบปล่อยวางความปวดได้ไม่ทุกข์กับความปวดการนั่งสมาธิรักษาโรคได้ไหมครับโรคบางอย่างได้นะโรคซึมเศร้าโรคที่เกี่ยวกับจิตเนี่ยจิตเวทั้งหลายเนี่ยสามารถใช้สมาธิใช้สตินั่งนับได้ถ้าใจสงบแล้วความเศร้าโศกเสีอใจความซึมเศร้าต่างปัญหาได้หมด ใจมันสดชื่นแบบบานแต่ถ้าโรคอย่างอืงอ่นนี่ห้โาโรคมะเร็งี่คงยังคงยังไม่ได้อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้าง ก, ก็ได้นอกที่ทําให้ที่เกิดมีความเครียดเป็นตัวสนับสนุสนเช่นโรคหัวใจโรคความดันเนี่ถ้าใจไม่เครียดนี่นอาจจะช่วยลดลดลดภาวะของการจะเป็นโรคนี้ได้แต่มันก็ไม่อาจจะไม่ได้ได้ทั้งหมดนะแต่มันก็จะช่วยบรรเทาได้ อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับข้อจิตใจนี่ใช้ธรรมะใช้การปฏิบัติสมาธินี้ช่วยได้อยากเป็นคนที่คิดดีไม่คิดทําร้ายใครๆแต่มันยากครับต้องทําอย่างไรครับก็ต้องฝุกฝนมีสติคอยคอยคุมใจไว้คอยดูใจตลอดเวลาเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรออกมาหรือเขียนอะไรน้องขอส่งข้อความที่เราต้องคิดก่อนถ้าเราคอยดูความคิดของเรา คิดไม่ดีเราก็หยุดมันใช้คำอริกรรมพุโทโธพุโทโธสวนกลับไปก็ได้ถ้าไม่อยอมหยุดคิดทำความรู้สึกตัวทำไมยากจังครับชอบเผลอบ่อยๆขอแนวทางปฏิบัติครับมันเป็นนิสัยของจิตของผูุ้ชนที่มันชอบปล่อยให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะไม่ชอบอยู่นิ่งๆอยู่กับเรื่องเดียวดงนั้นเวลามาควบคุมมันถึงยาก แต่ก็ไม่สูญวิสัยถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปจิตแล้วก็จะอยู่กับ่ารมเดียวได้อยู่เปน็นไอคกตาอารมณ์เน่งสงบได้อาจารย์ครับผมขอย้อนกลับไปที่เฟกนิวส์งถึ่งครับอาจารย์อย่างเราเห็นแล้วว่าเอ่อเป็นเฟกนิวส์คือใจเราก็ไม่ได้อยากอยากไปแก้ข่าวอะไรครับเพียงแต่ว่ามันทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความตื่นตนกแล้วก็ได้รับข่าวที่ผิดไป ถ้าอย่างนี้เราจะไปแก้ข่าวหรือเราจะอยู่เฉยๆดีกว่ากันกับอาจารย์ครับผมก็ดูว่ามันแก้แล้วมันได้ประโยชน์มากกว่าไม่เสียประโยชน์ถ้าแก้แล้วได้ประโยชน์ก็แก้ไปเพราะว่าก็เราเป็นหน่งข่าวที่มีคนเชื่อถือได้อยู่ถ้าเราออมายืนยันคนที่เขาถือว่าถ้าเอออกมาจากเราเขาก็จะได้หายสงสัยได้ mm hmm. แต่ไม่ใช่ไปแก้ข่าวบอกว่าเขาด่าเราเลวแล้วเราไม่เลวอย่างนี้บางทีกไม่จำเป็นต้อไปแก้มันเสียเวลา แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆที่สําคัญที่ประชาชนทั่วไปคนจะรับรู้นี่ก็ถ้าเขาให้ข้อมูลผิดแล้วคนจะไปแก้ไขว่าข้อมูลจริงเป็นอย่างไรครับอันนี้ทําได้แต่เราอย่าทําด้วยอารมณ์ก็แล้วกันนะครับทำแล้วก็จบใครจะเชื่อแล้วไม่เชื่อก็สุดแท้แต่อารมณเนี่ยที่เสนอเมืัวเราขึ้นศาลเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็ว่าเขาก็ กลาอ้างว่าเราทําผิดแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็แจ้งให้สารทราบวันนี้ข้อมูลของเราเป็นอย่างนี้แล้ขึ้นอยู่กับสารจะพิจารณาตัดสินว่าใครผิดใครถูกนี่ก็เรื่องของเขาแล้วเราทำอะไรไม่ได้ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับการให้ทานอาหารแก่สัตว์เพราะว่าเมตตาอย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับ ก็เป็นขั้นขั้นทางไงซึ่งยังไม่ถึงขั้นศีลสมาธิปัญญาคนละขั้นกันแต่ก็เป็นพ ข, ขั้นพื้นฐานคนส่วนใหญ่จะเข้าสู่ขั้นศีลแน่แก็ต้องมีความเมตตาใจบุญสนทานก่อนพอมันใจบุญสนทานก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนใครไม่อยากจะผิดทำผิดศีลแต่ถ้าคนยังไม่มีใจบุญสนทานยังเห็นแก่ตัวอยู่อยากจะน้อาลาบน้อมน้อมอะไรต่ตางๆเข้าหาตัวเองไปชงตัวเองอยู่ ก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่แคลล์การการช่วยเหลือผู้อืนหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะทำอะไรให้ให้ได้ประโยชน์ของตนผู้อื่นจะเดือดร้อก็ไม่สนใจถ้าอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่การรักษาศีลได้้นทางนี้เป็นพื้นฐานของการที่จะเปิดประตูของศีลทําทำบุญทำทานเราจะเราจะเป็นใจที่ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้เราก็จะรักษาศีลท่านได้ พอรักษาสิ่งห้าได้แล้วเราก็จะมีกําลังจะเพิ่มที่รักษาสิ่งแปดต่อไปได้เป็นขั้นบันไดอยากจะพ้นทุกข์ทางโลกแต่ยังไม่พบทางออกสติปัญญาน้อยสมาธิน้อยครับอยากได้คําแนะนําขอทางสว่างจากพระอาจารย์ครับก็นี่เราฟังทำไปเรื่อยๆเนี่ยทางของนี้ก็คือทางศีลสมาธิปัญญานี่หรดูทานศีลภาวนาเพิ่มทานอีกข้อหนึ่งถ้าเรา ยังไม่ได้ทําุญทำใจเรายังไม่มีความเมตตาก็เอา ท, ทําทําทานให้เกิดความเมตตาเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดเบียดเบียนผู้ถ้าเราจะรักษารสินได้กลาบไปถามอาจารย์ครับเวลาถูกเรียกให้ทําบางอย่างใจหงุดหงิดขึ้นมาแต่ในบางครั้งก็ไม่หงุดหงิดมีเหตุหรือควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ถ้าเรียกให้เราทําอย่างที่เราชอบเราก็ก็ไม่หงุดหงิด ถ้าให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็หงุดหงิดท่างนั้นแหละในที่ความชอบและไม่ชอบของเราถ้าใครมาชวนไปเที่ยวนี่โอ๊ยไปเลยใช่ไหมแต่มนชวนไปวัดไปรักษาศีลแปดนี่หุดหยิดขึ้นมาทันที <laughs> เราจะก้าวข้ามภาวะการเห็นนิมิตอาการปิติไปได้อย่างไรครับเฉยๆไงให้ผูกใจไว้กับกรรมฐาน อย่นั่งเฉยๆนั่งก็ต้องอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปถ้าเวลามียนิเมต์อะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจอย่างนันก็หายไปเองเพราะจิตสงบแล้วใจจิตก็จะว่านิมิตต่างๆก็จะหายหมดแล้วแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบหากขนาดถือศีลแปดแล้วมีอาการป่วยควรทําอย่างไรครับหยุดหรือว่าอดทนต่อไปครับเครื่องข้อไหนล่ะ ที่เราจะต้องเลิกก็ต้องพิจารณาดูถ้าต้องกินอาหารเย็นเพื่อรับประทานยาเราก็อาจจะเลิกข้อหกไปก่อนข้ออื่นที่ไม่จําเป็นจะต้องเลิกก็ไม่ต้องเลิกอยไม่ใช่ไม่สบายแล้วต้องต้องไปดูหนังฟังเพล ง, งา ห, าหรือะหายเลยระวังกินเหลมันชอบหาข้ออ้างนะหาข้ออ้างให้เราไม่ทําไม่ไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม่ปฏิบัติทำอ้างว่าไม่สบายมาก เพราะสบาเนี้ยต้องดูหนังฟังเพลงรันถึงจหายครับตายเครียดกรับถ้ <laughs> าเรารับรู้เองเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นจริงหรือไม่ใช่ครับอลาวเขาต้องรู้สึกตัวเราว่าตัวเราเป็นอะไรเขาว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราเป็นผู้ชายเราก็รู้ว่าไม่ใช่ ถ้าอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องก็ต้องก็ต้อ ง, ง, งรับรู้ว่าเราไม่รู้ท่านเองเขาจะว่าไงก็ต้องรอไปพิสูจน์ดูว่าการเดินจงกรมเราภาวนาพุโทโธถูกต้องไหมครับแล้วควรภาวนาอะไรนอกจากพุโทโธครับก็ไม่ต้องหรอกถ้าเราใช้พุโทโธคำเดียวได้ก็พอลนะ ถ้าเราไม่สะดวกไปวัดสามารถสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านได้ไหมครับได้สวดที่ไหนก็ได้ขอให้สวดมากๆกแล้วกันอย่าสวดแบบแบบขอให้สวดขอแบบขอไปทีให้ครบสวดให้ครบสตรแล้วก็เริ่มสวดไปให้มีสติกำกับใจไม่ให้ไปคิดอย่างนั้นนั่นนี้สวดไปจนสวดไปอจนกว่าใจจะเริ่มีความสุขสบสบายขึ้นมาถึงแม้จะไม่สง บ, บในระดับของสมาธิมันก็ สงคมนระดับที่คลายจากควารฟุ้งซ่านความคิดปูมิแต่งต่างๆมีคนคอมเมนต์ว่าฟังพระอาจารย์กับคุณหมอทุกวันอาทิตย์มีความสุขมากสุขใจมากเลยนะครับรอาจารย์ครับก็ยิงนีด้วยนั่งภาวนาพิจารณากายเน่าเปื่อยผุพังเผาไหม้ไปทีละส่วนแต่ท้ายสุดข้างในพูดว่าคือตัวเราที่โดนเผาไหม้เห็นว่าจิต ยังยึดร่างกายอยู่ควรพิจารณาอย่างไรต่อไปครับก็พิจารณาเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์กับความสิ้นสุดของร่างกายท่านเองอย่าถือว่าเป็นเราเขไม่เป็นปัญหาเลยข้อสําคัญก็คือว่าเราไม่ทุกข์กับมันเนี่ยเราเราอยากให้ร่างกายตายได้เราอยากให้ร่างกายพุพังไปได้เป็นประเด็นที่การทําให้ใจเราไม่ยึดติดทั่านเอง าทางสว่างครับสูญเสียลูกชายก่อนวัยอันควรฟุ้งซ่านทุกครั้งที่อยู่นิ่งๆครับกางใช้สติคือการบริกรรมพุทโธและการสวดมนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงลูกชายเวลคิดถึงลูกชายแล้วเศร้าก็ต้องสวดมนต์ไปแล้วพุทโธพุทโธไปเป็นกว่าความคิดนั้นจะหายไปเราถึงจะอยู่ได้เหมือนกินยาแก้ปวดเนี่ยเรปว ด, ปวดหัวแล้วต้องกินยาเข้าไป กินบันญะกลาอาการปวดศรีรษะมันจะหายไปแล้วก็ค่อยหยุดกินยาถ้ายังไม่ยังไม่หายล้วก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆก่อนการใช้สตินี้ก็ปัญญาธรรมโอ ร, รักษาความทุกข์ใจนะแต่ต้องใช้ให้มันบ่อยๆใช้ยังกระทั่ความทุกข์ใจที่เกิดจากความคิดเรื่องนั้นเรน่องนี้หายไปแล้วค่อยอยุด เป็นอินโทรเวิร์ดครับเจอเด็กมาคุยตลอดเวลาเหนื่อยใจมากเลยครับอย่างนี้จะต้องแก้ไขอย่างไรครับก็ปฏิเสธไปเถ็เป็ดตัวไปมไม่ว่าจะต้องทำธุระอะไ ร, อไรก็ว่างไปไอ้ตรวจสุขภาพร่างกายและเริ่มมีการป่วยทางกายก็รับรู้และตั้งจิตให้สงบพร้อมดูจิตว่า กับเพื่อมากน้อยแค่ไหนด้วยหลักธรรมจึงต้องปล่อยวางว่ารักษาโดยคุณหมอตามอาการของโลกพยายามปล่อยวางครับคอมเมนต์ครับอย่าเป็นทุกข์กับร่างกายเพราะว่านักษาใหงานมันก็ใจเสร็จก็ต้องตายอย่างดีอาจจะเชื่อแต่เล่นเล่นเวลาตายให้มันออกไปหน่อยทั้ีรักษาโรคนี้ได้วันนี้อย่าพูดเพียก็มีโรคใหม่เข้ามาแทนที่รักษาโรคใหม่ได้เดี๋ยวก็มีโรคใหม่เข้ามาแทนที่อยู่ด้ นี่สุดมตอจอโสุดท้ายนะมรักษาไม่หายมีแต่ตายอย่างเดียวทังนนต้องนึกถึงภาพเหล่า น, นี้โลกหน้าไว้ก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ตื่นตต่นตนนกกับโครคภัยไข้เจ็บที่กำลังเกิดขึ้นรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ก็ต้องอยู่รับความเป็นจริงไปเวียนว่ายตายเกิด เกิดหมายถึงคือเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมครับไม่ใช่เกิดคือเราเกิดน้อยออกมาจากท้องแม่เนี่ยเกิดเราได้นั่งกายใหม่เราเป็นใจผู้ประกอบน่างกายใหม่พอร่ากงกายจากท้องแม่มาเราก็เรียกว่าเกิดแล้วเราก็อยู่นั่งกายใหม่นี้ไปจนกว่ามันแก่มันเจ็บมันตายแล้วก็แยกออกจากร่างกายอันนี้ไปเพื่อไปรับร่างกายใหม่จากแม่คนใหม่ต่อ หัวใจเต้นผิดปกติอันตรายไหมครับน้องรักษาสมาธิรักษาไม่ได้เกินสิบนาทีครับคือเรื่องหัวใจนี่เป็นเรื่องของแพทย์เรื่องของคุณหมอทางเราเนี่เรื่องการักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์กับมันได้อย่างแล้วว่าร่างกายอาวัย่อต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยงการทํางานของมันมันอาจจะทํางานได้ปกติแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่เป็นปกติก็ได้บางทีมันอาจจะหยุดทํางานก็ได้ เราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมมันครับมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงอันนี้เพรามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ก็เล้วการแนะนําผู้อื่นให้ไปทําทานปฏิบัติธรรมเราได้บุญไหมครับคือเบื้องต้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเรา<ม>เขาอยากจะให้เราแนะนําหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปแนะนําให้เขามปทําบุญทําทานเขาอาจจะ โกเราก็ได้ไม่พอใจก็ได้อยู่ดีๆทาไมคุณจะเล่ามายุ่งกับชีวิตของเราแต่ถ้าเขาถ้าเขาไม่รู้เรื่องนั้นทําบุญทําทานอะไรแล้วเราบอกเขาแล้วเขาเชื่อเราแล้วไปทําบุญทําทานอันนี้เขาก็จะได้บุญมากกว่เราเพราะเขาจะไดค้คนที่ทำมันจะได้บุญคนที่บากนี้ก็ไม่ทราบว่าจะได้บุญจากอะไรอาจจะได้บุญจากการให้ธรรมาทานน้องให้ธรรมะกับคนที่ไม่รู้ธรรมะ เวลาเห็นหน้าลูกหลานมาหาแล้วใจอ่อนอยากให้เงินเยอะๆพอเขาปรับไปแล้วมานั่งคิดเวลาป่วยเราจะมีเงินรักษาไหมแต่ว่าเราเห็นหน้าเขาแล้วใจอ่อนอยากให้เองเขาไม่ได้ขออย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปนะก็เป็นเรื่องของใจเราที่ไม่หนักแน่นน่เองเวลาเขาเราเป็นอะไรแล้วเขามาช่วยเราก็าอย่าเสียใจกันแล้วกันเคยว่าเป็นการทาบุญไปเราก็จะมีความสุขจากการให้ให้เงินให้ทองเขาไป ที่ไร่มีโฮมสเตย์ครับกรณีที่คนมาพักแล้วเอาเหรียญวางไว้ในห้องเราจะเอาเงินมาใช้เองอย่างนี้ผิดสีไหมครับก็เป็นของเขาไม่ใช่ของเราเราขออนุญาตก่อนวันนี้โยมได้นั่งสมาธิทั้งเช้าและบ่ายจะมีอาการตกหลุมตกบ่อบ่อยมากเข้าๆออกๆอยู่นิ่งได้ไม่นานแสดงว่ายมจเจริญสติน้อยไปใช่ไหมครับ นายโยมอยากได้ความสงบนานๆโยมต้องเจริญสติให้มากกว่านี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องการแย่งแฟนเขาเป็นบาปหรือไม่ครับบาปก็เหมือนกับไปแย่งสมบัติไปขโมยสมบัติของผู้อื่นเ ข, าาข้ามาข้วของเงินทองต่าภรรยาก็เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งไปแย่งลูกเขามาอย่างเงี้ยเอาลูกลักขโมยลูกเข้ามามันเป็นลูกของเราอย่างเงี้ย มันน่าการ้ทารุนมันทำร้ายจิตใจของคนมากเพราะไม่มีสมาติะขอที่เขายัางรักมากยิ่งเท่ากับภรรยาหรือสามีและลูกของเขาถือว่าเป็นการรักรับได้อย่างนี้ดิฉันนั่งสมาธิทำไมนั่งไปจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังจนรู้สึกอยู่ข้างหูครับไม่เป็นไรได้ยินอะไรก็อย่าไปสนใจท่องให้เราอยู่กับพุทโธไปไม่อยู่กับลมไป อาจจะเกิดขึ้นให้เราสัมพัสรับรู้ไม่ต้องไปสนใจการไปเกิดเป็นคนแต่ละประเทศเกิดจากอะไรครับอาทิจากการทําบุญไหมครับมันก็มันก็เกิดว่ามันที่ไหนเขามีการผลิตลูกดวงวิญญาณมันก็จะไปที่นั่นมันก็เราจะซื้อรถยนต์เนี่ยตอนนี้ประเทศไหนหผลิตรถยนต์ที่ที่ราคาถูกที่สุดเราก็จะไปซื้อที่นั่นใช่ไหม เช่นจีนนั่นนี่ต้อยไฟฟ้าถูกจีนคือขายดิบขายดีกันใหญ่คนก็แห่ไปซื้อของถูกมันก็มีเท่านั้นนะอยู่ที่สัปปายกับดิ m a นดิครับอุปสงค์กับอุปทานพวกปั่นข่าวที่เป็นเฟกนิวส์ครับจะได้รับกรรมแบบใดครับก็พูดปลดไงประกั จ, จ, จ, จะจะไม่มีคนเชื่อถือถ้ารู้ว่าเป็นใคร จะไม่มีเครดิตจะไปจะไปทําอะไรเนี่ยถ้าก็ตรวจตั ว, ต ว, ตวแล้วออกไปคนที่โกหกเนี่เขาก็จะไม่อยากจะจ้างมันเป็นเป็นพนักงานของบริษัทนะอนาคตการจะถูกเขาโกหกกลับก็ได้ในชาติหน้าเราหลอกลวงเขาได้ชาติหน้ากราเราจะถูกเขาหลอกคนอื่นก็มาหลอกลวงเราก็ได้ท่านันใดก็ได้อย่างนั้นกลับไปเนะี่ยไม่ชา้าก็แล้วงั้นอย่าทําดีกว่า คิดถึงพยายามคิดย้อนกลับเสมอว่าเราทํากับเขาแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีคนอื่นมาทํากับเราเหมือนกับที่เราทํากับเขาก็ได้การฟังธรรมสามารถจะบรรลุโสดาบันได้ไหมครับก็ต้องมีจิตที่สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วธรรมที่แสดงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุกอต้องแสดงเรื่องขันธ์ห้าอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงสอนปัญจวคีย ผมเป็นผู้มาใหม่นะครับขอโอกาสถามครับข้อที่หนึ่งครับปัญหากินสุขเวทนาเป็นอาหารพบจึงเจริญงอกงามอย่างนี้ถูกต้องไหมครับปัญหากินสุขเวทนาคือความอยากเสพความสุขในชะ่ไหมสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ใจต้องคอยกลับมาเกิดยเรื่อยก็คือการมาตันหาสุขเวทนากเกิดจากการที่เราได้เสียงรูปเสียงกินแล้วที่เราชอบใจ เราก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วพอเราบวเราไม่มีร่างกายไม่มีสุขเวทนาให้เสพในพราะงน้นชตานี้ดวงวิญญาณก็จะไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ข้อที่สองครับอริยมรตมีองค์แปดอาศัยเจตนาจึงหลุดพ้นถูกต้องไหมครับไม่ต้องไม่อาศาัยเจตนามันอาศัยการปฏิบัติให้ครบองค์แปดองค์ด้วยกันถึงจะหลุดพ้นได้ คือสก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาให้ครบองค์เจิาตนาหนึ่งเดียวไม่สามารถทำมาให้ให้เกิดผลขึ้นมาได้จาตานาเป็นตัวผลักนั้นแต่ตัวที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาคือความเพียรจะพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพียรปฏิบัติที่มีองค์แปดให้ครบสมบูรณ์กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับครับจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับ ถ้ใช้คําบริการพูดโธไปเวจะนอนไม่หล่ะเพื่อหยุดความคิดที่อนันไม่หลับเพระเราคิดมากคิดถ้าคิดทังนั้นนั่งกระต่อนนั่งนี้คิดไปคิดมาอยู่นะั่งเรต้องตัดความคิดนี้ให้ได้ในการให้มันคิดแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธคําเดียวถ้าอยู่พุโทโธคําเดียวเดี๋ยวมันก็หลับทุกวันนี้สวดมนต์บทธรรมจักกับปัฏฐานสูตรทุกวันครับบทยาวไปไม่ครับสําลับโยงครับ ยาวสั้นไม่สำคัญอยู่ที่เราว่ามันทาให้ใจเรามีสติมีความสงบหรือไม่เป้าหมายก็คือความสงบการมีสติเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วมีเพื่อนผู้ชายฝากของขวัญปีใหม่มาให้เรารับไว้แล้วมาเปิดดูทีหลังเป็นทองแท่งแล้วเราเก็บไว้แล้วเขาก็ย้ายไปทำงานที่อื่นการที่เรารับทองไว้จะมีบาปอะไรหรือไม่ครับ เขามาฝากไว้ก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปใช้เองเนี่อาจจะบาปเพราะเขาไม่ได้ให้เราก็เพียงแต่ฝากไว้ถ้าเกิดวันดีคืนดีเขามาขอคืนเราจะมีคืนให้คืนมีคืนให้เขาหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ไม่บาปแต่ถ้าไม่มีบอกว่าเอาไปใช้แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าบาปเพราะเราเราไม่ได้ขออนุญาตจากเขาก่อนของอะไรที่ไม่ใช่เป็นของเราเราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนเราถึงจะสามารถเอาไปใช้ได้ แต่ถ้าเขาให้เราเลยนี่เรก็รับไปได้ครับถ้าเขาให้แล้วก็เป็นของเราเลยเงินย่าเงินถอยเงินให้เราตรนี้เก็เป็นของเรานะเะยทำไปทํางไหนก็ได้เราไมาทวงคืนไม่ได้นะให้มาแล้ว <C 'd> เราจะคืนให้หรือไม่คืนนะ่เป็นสิทธิ์ของเราแล้วนะม <C 'd> ันทํำมุญแล้วเขาขอคืนในภายหลังคืนไม่ได้เนะ้นทําุญททานนี้ให้เขามาแล้วก็เป็นของเข้าไปแล้ว <C 'd> คือทวงได้แต่เขาไม่ไม่มีไม่มีกฎอะไรที่ามบังคับเขาไม่เขาต้องมาคืนให้กับเนระ มัราไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลาเราให้อะไรไปนี่เป็นของคนอื่นเขาไปแล้วเราควรให้อภัยคนที่ทำร้ายเราทั้งที่เขาไม่รู้สึกผิดเลยไหมครับแต่ถ้าเราให้อภัยแล้วแต่เขายังทาร้ายเราอยู่เราควรจะทาอย่างไรครับคือการให้อภัยนี่เพื่อทาให้ใจเราสบายเพราะถ้าเราไม่ให้อภัยเราจะโกรธเขาลาข้าพยาบาทเขาเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่แท้งอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเรา ใ ห, ให้อภัยให้อภัยเขาเราได้คุณได้ประโยชน์คือทําให้ใจเราหายทุกข์หายเครียดหายโกรธอันนี้เป้าหมายหลักพอเราให้อภัยก็แล้วเขาจะเขจะถ้าเขาจะเป็นอะไรต่อไปี่เราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้แล้วอย่าไปหวังอะไรจากเขาให้เพื่อความสบายใจของเราไม่ใช่ให้เพื่อให้เขาปรับตัวเขาเองให้เป็นคนดีให้ดีกับเราอันนี้อย่าไปไ ม, ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือให้เพื่อให้ใจเราสงบใจเราปล่อยวาง การเบียดเบียนสัตว์ที่มีอายุสั้นเช่นยุงแมลงบีกับสัตว์ใหญ่ที่อายุยืนบาปกรรมที่ได้รับต่างกันไหมครับก็มีมีส่วนนะเพราะว่าบาปหนักเบานี่อยู่ที่คุณคุณประโยชน์ของของสิ่งบุคคลหรสัตว์ที่เราไปทำลายเช่นเช่นฆ่าฆ่าเปดฆ่าไก่นี้ไม่ไม่บาปเท่ากับการฆ่าวัวฆ่าควายวัวควายนี้เขามีคุณประโยชน์ทางนยก่อน เอามาใช้ช่วยทํางานท้ายนาทำอะไรให้กับลากเกวียนให้กับชาวนาส่วนเป็ดไก่ที่ไม่ได้มีทําคุณประโยชน์อะไรมีแต่จะกินอาหารเป็นภาระเพราะงั้นการค่าเป็ดฆ่าไก่มันจะไม่ได้บาปดังเท่าการค่าสัตว์ใหญ่ที่มีคุณประโยชน์เช่นเดียวกับการค่ามนุษย์มนุษย์ก็มีคุณค่าต่างกันค่าคนธรรมดาก็บาปอย่างฆ่าคนที่มีมีโทษก็บาปน้อยกว่าก็บาปน้ อ, นกอยกว่าอง ถ้านักทนที่ถูกลงโทษประหารชีวิตอย่างเนี้ยกาค่าคนที่ไม่ได้รับไม่มีไม่ได้ถูกลงโทษมันก็หนักเบาต่างกันฆ่าพ่อค่าแม่ก็ยิ่งหนักใหญ่เพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเราฆ่าพระอาหารทอให้พระเจ้าฮอนนี่อันนี้ถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเรามากที่สุดในชีวิตของพวกเรา โยมทําบุญภาวนาสม่ําเสมอแต่ยังมีฝันร้ายไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับโยมฝันถึงความกลัวมีคนต้องการทําร้ายเห็นใจเต้นแรงด้วยความดิ้นรนเพราะต้องการหนีโยมพิจารณาเห็นความกลัวตายจึงพิจารณาอาการ32กลับไปมาจนเห็นจิตสงบพิจารณาแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าจิตสงบก็ใช่ได้สาเหตุที่เรายังฝันร้ายอยู่ก็เพราะ บ, บาปกรรมที่เราเคยทำไว้เนี่ยดีมันยังมีความอยู่ใน ใ, นใจเรอยู่ แม่บุญของเราเยัอาจจะมไม่มากพอที่จะไปต้านบางมาเวลามันก็เลยโผลขึ้นมาได้ในอตอนนี้นการพิจารณาแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานทำให้จจสงบได้ก็ใช้ได้ผลปฏิบัติธรรมอาผลปฏิบัติธรรมดูที่บ้านประจําแต่บ่อยๆครั้งที่รู้สึกโหยหาวัดโหยหาครูบาอาจารย์จนรู้สึกผิดปกติ ของตัวเองบางครั้งอยากจะขับรถตะเวนไปกราบครูบาอาจารย์ให้หาคิดถึงผมผิดปกติหรือเปล่าครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับไม่หรอกครูบาอาจารย์ก็ไป็เหมือนหมอเหมือนโรงพยาบาลเนี่บางทีรักษาตัวที่บ้านแล้วมันไม่ประทับใจเท่ากับว่าในรักษาที่โรงพยาบาลบางทีใจเราไม่มีความสุขปฏิบัติที่บ้านไม่มีความสุขเท่ากับารไปปฏิบัติเทวดาไปพบกับครูบาอาจารย์บางทีไปเห็นก็หน้าครูบาอาจารย์แล้วใจก็สงบก็มี เปความสุขขึ้นมาทันทีก็เลติดความสุขแบบ น, นี้ซึ่งไม่ใช่เป็นความเสียหายลงไห น, ในเพราะเป็นการรักษาใจให้หายทุกข์ได้แต่เป็นความสุขแบบยังไม่ลักซึ้งยังไม่เท่ากับการปฏิบัติที่ทําให้จิตสงบในสมาธิการดูคลิปที่เกี่ยวกับธรรมะบ่อยๆได้อนิสงส์ไหมครับ ไม่ได้ปัญญาพราะคลิปธรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าความรู้เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนามิพทยายนกับความเบื่อนหน่ายเพราะไม่สบายใจทางโลกต่างกันอย่างไรครับอันนี้นต้องขออภัยเลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเนื่องจากไม่ได้ศึกษาทางบาลีมาแต่ความเบื่อนหน่ายทางโลกกับทางธรรมมันไม่เหมือนกัน เมื่อนายทำทำแล้วไม่รู้สึกทุกข์ใจนะมันรู้สึกมันเบื่อนายเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ได้สาระไม่ได้ทุกข์ใจกับมันแต่ความเบื่อทางโลกนี้มันอาจจะเกิดความไม่สบายใจด้วยคนละอย่างกันถ้าทํำทำแล้วมันจะใจมันจะเป็นอุเบกขาใช่ไม่จะเฉยๆแต่จะรู้ว่าอะไรนี่มันจะ็นื่อไร้สาระไร้ประโยชน์เบื่อน่ายทำซาดรำเจราเน่าอนไรทำเอา การฟังเทศมหาชาติจะเกิดอนิสงส์หรือไม่ครับอย่างไรครับเทศนหาชาติก็เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าในแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตตอนที่ท่านเป็ น, เ ป, นเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งมีอยู่สิบชาติด้วยกันเพรา ะ, พระโพธิสัตว์นี้จะต้องสร้างสิบบรารมีนั้นสิบชาตินี้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบาลมีแต่ละบาลมีของพระโพธิสัตว์เช่นพระเวชสันนดรก็สร้างทานบาลมีเป็นต้น ตอนให้เราได้หนึ่งรู้ได้อ่ามาคิดเป็นเนันติได้ว่ามาดูเศษพระโพธิสัต์ท่านทาบุญขนาดไหนเราทำแค่บาทสองบาทเรายังเสียใจเลยท่านทำแบบก็บมีเท่าไหร่ท่านให้หมดเลยได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระโพธิสการทำให้ผู้มีบุญคุณเสียน้ำตาอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ก็แล้วแต่ว่าเป็นเพราะเหตุใดถ้าเราไปด่าท่านนี้ก็บาปแต่ถ้าเราถ้าเราไปทําอะไรที่ไม่ถูกใจท่านนี้มันก็ไม่บาปเพราะบางทีกิเลสของท่านท่านก็ยังมีกิเลสอยู่อย่างให้เราทํา ง, งานแต่เราอยากจะไปโวยนี้มันท่านก็เสียใจน้องให้อย่างนี้ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปทําร้ายท่านโดยตรงมันเป็นการกระทําของเราที่ทําให้ท่านไม่พอใจหรือเสียใจท่านี้ การบริจาคเงินหนึ่งหมื่นบาทให้วัดได้บุญมากกว่าการบริจาคเลือดให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลใช่ไหมครับกถ้าเราดูคุณค่าของเลือดก็ราคาเท่าไหร่ถ้าเลือดราคาหมื่นบาทมันก็ได้บุญเท่ากันแล้วดูที่คุณค่าของของสิ่งที่เราบริจาคไปว่ามีคุณค่าราคาเท่าไหร่การทำแท้งเป็นบาปหรือไม่ครับบาปเป็นการฆ่า ลูกไม่รักครับจะทําอย่างไรได้ครับลูกไม่รักใครไม่รักพ่อแม่พ่อแม่ครับมาช่วยไม่ได้เป็นกรรมของพ่อแม่ไดลล้มูเทอราพีมานู่งนี่มีสามชนิดลูกที่ดีลูกที่ดีกับพ่อแม่นะอภิชาตบุตรลูกที่ดีถ้าพ่อแม่นั้ ล, ลูกที่เลวกับพ่อแม่ก็แก้แต่ว่าเราจะได้ลูกชนิดไหนมาถ้าชนิดที่หนึ่งก็ดีอภิชาตบุตรเป็นลูกที่มีความดีมาก ลูกชนิดที่สองคือมีควาดีพอๆกับพ่อแม่พ่อแม่ดียังไงเขา่าดีแบบพ่อแม่ผู้ที่สามนี่เลยบอกพ่อแม่ครับควรฝึกอย่างไรให้มีสติตลอดเวลาครับต้ใช้ผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกรรมฐานชนิดใดก็เช่นหนึ่งเช่นมันบริกรรพุโทโธพุโทโธไปก็เป็นวิธีหนึ่งหรือผูกใจให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวในการกระทําต่างๆของร่างกาย ก็็เเปนนวิธีีึงท่ราสาสมาารถททํได้้ัังวนมีโครงการจิตอาสาที่วัดไทยพุทธคยาหกเดือนแต่โยมติดงานและรายได้ติดรายได้ความคิดดึงไปดึงมาระหว่างทางโลกและทางธรรมครับอยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็มองถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากทางโลกกับทางธรรมทางโลกเราก็จะได้เงินเดือนได้เงิน แต่ตายไปเราก็เอาเงินไปไม่ได้แต่ถ้าเราไปทางธรรมเราไปถ้าถ้าเป็นจิตอาสาเราไปทําบุญเวื่อตายไปเราบุญนี้ไปได้เราไปสวรรค์ได้เพราะมีบุญที่เราทํานี้แต่ถ้าเราเอาเงินไปไม่ได้เราไม่มีอะไรติดตัวไปเราไปสวรรค์ไม่ได้ไม่มีบุญติดตัวไปต้องมองไกลอย่ามองแต่เฉพาะภพชาตินี้นั่นเองต้องมองถึงหลังจากที่เราตายไปแล้วเนื้อร่างกายเราตายแต่ ใจในตัวเรานี้ไม่ไ้ตายไปกับร่างกายใจของเรต้องไปต่อไปได้บุญหรือไปได้บาปเนี่ยเปิดบทสวดฟังก่อนนอนจนหลับทุกวันอย่างนี้ถือว่าได้บุญไหมครับไม่ได้ได้นอนหลับเปปัญญาญานอนหลับการที่เราทําให้คนรอบข้างจิตเศร้าหมองเป็นบาปไหมครับ ก็คือเห็นว่าการทาของเราหนี้ไปมันผิดศีลหรือเปล่าถ้าผิดศีลก็ก็บาปถ้าไม่ผิดศีลก็ไม่บาปการฆ่าคนที่จะมาทําร้ายตัวเราอย่างนี้เป็นบาปไหมครับบาปแต่ก็ไม่บาปเท่ากับการที่เราไปฆ่าเขาบาทีเขาไม่มาทำร้ายเราถ้ามันป้องกันตัวกับภาพแบบก็ฆ่าพยาบาลนี่ต่างกันหนักเบา เราก็ยังบาดอยู่ตั้งใจสวดมนต์ทุกวันครับบางวันมีสติมีแวบคิดเรื่องอื่นๆบ้างอย่างนี้ถือว่าได้บุญหรื อ, อยังครับก็ยังไม่ได้สติอย่างต่อเนื่องพยายามทำต่อไปบุญจะเกิดตามมาจิงแ น, น่งสมอถือศีลแปดสามารถฟังธรรมจากการถ่ายทอดสดหรือเทปธรรมะที่ถ่ายทอดได้หรือไม่ครับได้ถ้าเป็นธรรมะได้ มีคนเอาของมาให้เราแล้วเราแบ่งของไปทําบุญไปใส่บาปอย่างนี้เราได้บุญไหมครับได้ถ้าเป็นของของเร า, าถ้าเขาฝากไว้แล้วเราไปทํานีเา้เอาของเอาของเข้าไปทําได้เราไม่ได้บุญอาจจะได้บาปไยเพราะเราไปขโมยของเข้ามาแต่ถ้าเขาให้เราเป็นของของเราแล้วเราจะไปทําอะไรก็ได้ทําบุญก็ได้บุญเอาไปกินก็ได้กินแล้วแต่เรา หนูอยากรู้ครับว่าคนที่ระลึกชาติได้เป็นเพราะอะไรและจะกลับมาเกิดอีกไหมครับก็มันเนื่องอภินญาความรู้ความสามารถพิเศษที่เขาอาจจะเรียนรู้ในอดีตชาติมาก็ได้ในยุคนึกหนึ่งที่เขาไปเกิดแล้วไปเจอกูบาอาจารย์ที่สาวิธีระลึกชาติให้กับเขาได้เขาก็อาจจะได้วิชานี้ติดตัวมา ถ้าเราไม่ได้เจอเราไม่ได้เรียนรู้เราก็จะไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้ถ้าประสบกับเรื่องเราทุกเจอความบีบคั้นที่ไม่สามารถหาทางออกได้แก้ด้วยการพิจารณาตามไตรลักษณ์ได้ไหมครับได้ได้แล้วทุกอย่างเป็นทุกเป็นอนิจจังนัตตาทั้งกู้คุมบงังคับไม่้ ว, วก็ปล่อยเียหยุดความอยากที่อยากจะไปแก้ไขไปทาอะไร ไว้ให้ทอย่างเป็นไปตางตามบุญตามกรรมไปเราก็จะหายทุกหากเรานั่งสมาธิแล้วจิตฟุง้งเราก็เริ่ม ต, ตั้งต้นใหม่ทุกครั้งจนจิตนิ่งแม้จะมากครั้งถูกต้องไหมครับถูกต้องแสดงว่าเราเผอนะ่ะพอเราฟุ้งแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราก็ตั้งเด็กสติกันมาใหม่น้มลคุกคามไปก่อนการปฏิบัติเริ่มต้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนเด็กทา น, นเดินนะ ันเดินทำยืนแล้วก็ลดลงมอยู่ได้เก้าสองเก้าแล้วลงไปแล้วพยายามลกขึ้นบางด้านหนการเดินจงกรมเดินตามความเร็วปกติแล้วนึกพุดโธเพื่อให้ความคิดฟุ้งซ่านออกมาแล้วกลับมาพุดโทใหม่หรือเดินช้ามากๆแบบไม่ปกติแล้วกาหนดสติรู้สึกตัวขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแบบไหนคือวิธีที่ควรทาครับ นั่นปกติก็ควรจะทําแบบทําตามธรรมชาติไม่ต้องไปทําเป็นแบบคนหันเดินอย่นี่เป็นป น, นียต้องทํางนี้นยกเว้นบางเวลาเราคิดว่าต้นงเดินช้าเพื่อให้มีสติกระชับเราก็อาจะเดินกระช้าๆบ้างก็ได้แต่ถ้าเราเดินในว่าสามารถมีสติกระชับอยู่ในการเดินเลยได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเดินช้าๆอัน ท, ที่สองครับพอนั่งสมาธิเวลาคิด หรือปวดก็กําหนดคิดหนอปวดหนอเพื่อเป็นวิปัสนาถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับการอาการปวดขึ้นมาก็ต้องหาวิธีทําใจให้นิ่งไม่ให้ไปเดือดร้อน ก, กับความปวดแต่ถ้าคิดว่ากําหนดคิดหนอ่อหมอปวดหนอได้แล้วทําให้ใจนิ่งได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสติไม่ใช่เป็นวิปัสนา ขอคําแนะนําพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติแยกรูปนามต่างจากการปฏิบัติธรรมภาวนาอื่นๆไหมครับอันนี้มีขั้นวิปัสสนาในการแยกรูปธรรมนี่คือเราต้องมาพิจารณาร่างกายเราที่เป็นมีสองส่วนประกอบเป็นรูปประทรบกับนามธรรมา ท, ที่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อให้ใจเราปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดเพราะว่าของเราเนี้มันจะต้องมีการเกิดจบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ถ้าเราไปยึดไปติดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเรามันก็จะทําให้เราทุกข์เราทําการมาแก้ที่ความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะอยู่เขาก็อยู่เขาจะไปเขาก็จะไปเขาจะเกิดก็เกิดเขาจะดับก็ดับเราไม่สามารถไปห้ามกเขาได้ดังนั้นให้รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงเพื่อใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาอันนี้เรียกวิจารณาทําทวิปัสสนา อ ย, อยากทํายากรูปยากทํยาทยากนามาาอะไรต่างๆนี้ออกจากกันภาวนาในใจตอนทํางานอยู่ได้บุญไหมครับก็ได้สติถ้าภาวน า, ถ, า, า, า, วนาถ้าจิตยังไม่สงบผลยังไม่เกิดในการเป็นการเารจริญสติเจริญเหตุจ่อนสร้างเหตุจ่ในแเหตุยังไม่พอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา ขอความรู้เกี่ยวข้องกับจิตครับเช่นคุณลักษณะขีดความสามารถและอื่นๆครับเจิตในคุณสมบัติอยู่ห้าประการนี่ความสามารถสามารถรับรู้อะไรต่างๆได้ใช่ขนาดนี้ผู้ที่รับรู้เรื่องราวที่เราคอยกันอย่างนี้ก็คือจิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้นอกจากรับรู้แล้วก็ยังมีความสามารถที่จะรู้สึกด้วยรู้สึกสุดทุกข์ไม่สึกไม่ทุกข์ ก็สามารถจําจําได้หมายรู้จําเรื่องนั้นจำเรื่องนี้ได้แล้วเราสามารถคิดปรุงแต่งได้คิดว่าอยากจะทำํำรู่นทํำนี่อยากจะไปนั่นมานี่แล้วข้อสุดท้ายก็สามารถรับรูปเสียงกเก็บรับ ท, ท, ที่ตาหูจมกูกมือกายของร่างกายได้นี่คือความสามารถของจิตของทุกดวงของทุกคนเหมือนกันหมดปัญหาอยู่ที่จิตหนาเกกับเรื่องราวต่างๆแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับจิตเอง ด้วยความอยากต่างๆนั่นี้ผมออกมาดูแลพ่อที่ติดเตียงจนเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วผมยังต้องดูแลแม่ต่ออีกผมเป็นลูกคนเดียวทั้งครอบครัวพอมีจะกินแต่ผมสงสัยผมไม่ได้หาเงินเลยที่จะนำมาเลี้ยงพ่อแม่ได้แต่ดูแลทุกอย่างด้วยใจรักเคารพทำสุดความสามารถจนญาติพี่น้องและคนรอบบ้านชื่นชมว่าเป็นลูกกระตันยู และเป็นคนดีที่สุดผมมักจะสงสัยผมจะได้บุญจริงหรือเปล่าที่ได้ดูแลพ่อแม่ออกกำลังกายครับบุญไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวบุญอยู่ที่เวลาที่เราให้กับผู้อื่นด้วยคือเป็นจิตอาสาให้เนี้ยเป็นเป็นเป็นบุญ อ, อย่างหนึง่งบางคนไม่มีเงินแต่สามารถทํางานเป็นจิตอาสาได้ไปรับใช้สังคมใช้ไปทำงานกนน า, า, ง า, งางน้วยกู้ภัยต่างๆนี่เขาก็ได้บุญโดยที่ไม่ต้องมีเงนิน ไม่ต้องใช้เหมือนการทำคลิปเกี่ยวกับธรรมะได้บ anyway> ุญไหมครับก็เป็นถ้าเป็นธรรมะแล้วคนดูแล้วได้รับคุณได้รับประโยชน์ก็เป็นธรรมทานอย่างได้บุญอย่างนั่งสมาธิประมาณสิบห้านาทีก็จะปวดเมื่อยขามากควรทำอย่างไรให้อดทนได้นานขึ้นครับ แล้วตอนนั้นก็อย่านั่งเฉยๆต้องบริการพุทโธไปแล้วสวดบนไปก็ได้คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปเป็นสิบปีแล้วครับแต่ยังฝันถึงท่านอยู่ตลอดอย่างนี้ท่านจะไปสุคติหรือทุคติครับอ๋อไม่เกี่ยวกันมันเป็นแต่ความรู้สึกของเราเราเราคิดถึงท่านเราก็ฝันถึงท่านได้ส่วเจะท่านจะไปสุคติหรือทุคติอยู่ที่บุญที่บาปท่านทำไว้ อันไหนมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าก็ไปทุกข์ติถ้าบุญมากกว่าก็ไปสุข ก, กติ <c oughs> อายุมากแล้วครับแต่เผลอไปชอบคนอายุน้อยกว่าเยอะคิดถึงแวบบ๊แบๆบตลอดวันพุทโธพุทโธก็แว บ, บไปอีกขอความเมตตาพระอาจารย์ถามนะครับข้อที่หนึ่งครับลูกควรคิดอะไรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องไร้สารานี้ครับก็ ค, คิดว่าความรักนี้เป็นทุกข์เนี่ยน่าละล้ากันเลย เวลาเราอยู่กัเขาก็มีความสุขแต่เวลาที่เขาจากออกไปหรือเขาโกรธเราเกลียดเราเลิกกับเรามันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ดังนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปรักใครดีกว่ารักตัวเราเองดีกว่าข้อที่สองครับควรปฏิบัติทำอย่างไรที่จะไม่ให้ไปชอบใครอีกครับทุกใจครับก็นี่แหละพยายามฝึกสมาธิบ่อยๆเราฟังเทศน์ฟังธรรมแกเวแล้วอ่านนิจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆม่อ ได้มาเราอาจจะมีการสูญเสียวิการจากกันได้ทุกเวลานาทีแล้วมันการจากกัน ไ, ไก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาทําความดีมาตลอดครับแต่ก็ยังเจอวิบากกรรมอยู่เป็นเพราะอะไรครับเพราะเราเราทําบาปมา่ก่อนนี่นอาจจะเป็นช่วงของบาป ท, ที่ได้เวลาสล่งผลส่วนความดีของเราเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้เวลาสมผลม่เกินไม่ รู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีทำเชื่อกับได้ดีความจริงมันล้ท า, นาทำบุญทำบาปมาหลายหลายระยะและ้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้มันมีมากนะไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นผู้ส่งผล ก, ก่อนหรือหลังกลับหลวงพ่อครับมีความเห็นอย่างไรในเรื่องการสละโลก กับเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้ผู้คนเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นไม่ว่าจะหนีไปอยู่คนเดียวในที่วิเวกก็สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้และเรื่องการปรากฏตัวของพระป่าที่เน้นเรื่องการสลัดโลกแต่กับปรากฏตัวในโลกออนไลน์ครับเรื่องเทคโนโลยีนี้มันใช้มาดับความทุกข์ใจไม่ได้งั้นอย่าไปสนใจถ้าต้องการดูดพ้นจากความทุกข์เราต้องไม่พึ่งเทคโนโลยีเลยก็ได้เมื่อาจจะกลายเป็นนิวร์เป็นอุปสรรคในการทํา การปฏิบัติของเราให้ดับความทุกข์ด้วยงั้นอย่าไปสนใจเลยถ้าเราอยากจะไปทั้งสระทั้งโลกเราจะไปทำธรรมนี้ก็ไม่ต้อง อ, อะไรติดตัวไปเลยเอาสติปัญญาไปแค่ศรัทธาเอาสติศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาไปแค่นี้ก็พอส่วนพระที่ออกมาจากในป่าเพื่อมาสอนก็เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่พระุทธเจ้าปฏิบัติธรรมยังไม่ดลักรู้พระพุทธเจ้าก็อยู่ในป่าไม่อยุ่เกี่ยวกับใคร แต่พอท่านหลุดพ้นแล้วท่านบนรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านมีความเมตตาท่านก็ออกมาสอนสอนผู้ที่ไม่รู้ต่อไปก็ไม่เสียหายอลไรถ้าท่านเอามาสอนธรรมะแล้วก็เป็นธรรมจริงด้วยกลัวว่าจะเป็นเป็นแบบว่าไปอยู่ปา่าแล้วออกมายังไม่ตัดสรลุยังไม่บรรลุธรรมแล้วก็ตัตอนเองเป็นครูบาอาจารย์แล้วสอนแบบผพลียๆทุกๆอันนี้น่ากรัวท่านเองต้องระวังอย่าพูดไปเชื่อว่าพอมาจากปา่าแล้วจะต้องเป็นผู้บื่สุดพุทโธเสมอไป ต้อง่อยเอาธรรมะที่ท่านสอนกับเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนมาเปรียบเทียบกันดูว่าตรงกันไหมอยากจะบริจาคร่างกายแต่พ่อไม่เห็นด้วยครับอย่างนี้เขาถามว่าจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปถึงแม้บริจาค ก, ก็ไม่ได้บุญนะการบริจาคร่างกายถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาต้องให้ตอนนี้เลยให้ไปเลยบริจาคตาไปเลยบริจาคเลือดไปเลยถึงจะได้บุญถ้ามา เซ็นสัญญาว่าจะให้ตอนที่ตายเวลานี้ยจะไม่ได้บุญเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเราตอนที่เราตายเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราเนี้ใครเอาไปทําอะไรบ้างเราไ ม, ม่เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแต่อย่างใดจึงไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดบุญขึ้นมาบุญคือความสุขใจอิ่มใจคนเรามีความเพียรความอดทนในขณะที่ก็ควรปล่อยวางไม่แบกทุกข์ ถ้าทําการงานอะไรสักอย่างที่กดดันและเป็นทุกข์ทนได้ยากควรอดทนต่อไปแม้จะกดดันแค่ไหนหรือควรเลิกเปลี่ยนงานให้ใจได้ผ่อนคลายครับก็ขึ้นอยู่กับงานนี่ว่าเราเป็นงานที่เราจําเป็นจะต้องทําหรือมไม่มันจำเป็นต้องทําำ่็ต้องอดนทนทําไปเพียงไปมันก็อยู่ที่งานว่า ม, มันให้คุณประโยชน์กับเรามากน้อยเพียงไรคุ้มค่ากับความทุกข์ใจที่เราต้องต้องทร ม, มานสู้กับมันหรือไม่ เราลร์ไมคุ้มค่าเราก็เลิกได้แล้วก็ไาทํางานที่เราสบายใจก็ได้ะผลตอบแทนอาจจะต่างกันก็ได้ระหว่างหมอที่ทําแท้งกับคนที่มาให้หมอทําแท้งอย่างนี้ใครบาปมากกว่ากันครับบาปด้วยกันทั้งคู่คนสั่งก็บาปคนทําก็บาป คำว่าตัวตนไม่มีจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงแล้วกับตัวตนไม่มีครับมันเป็นสันทิโกมันถึงเวลามันก็จะเข้าใจด้เองมันจะล้างอ๋อขึ้นมาเอการถือศีลแปดดูไลน์ได้ไหมครับดูไลน์เพืออะไรท่านดูส่งข้อความธรรมะม า, มา ก, ก็ดูได้แต่ถ้าส่งเรื่องราวเรื่องงานเรื่องการเรื่องทางโลกก็ไม่กดรที่ดู ทำว่าพุโทโธเป็นการดึงใจมาอยู่กับปัจจุบันเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่า ง, างๆผมเข้าใจถูกไหมครับให้มันเครื่องผูกใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆกําลังจะมีการเสนอกฎหมายทําแท้งนะครับอาจารย์ครับ <อ chop S 2> เห็นเห็นวาระนินึ่ให้ครักฎหมายให้ฆ่าตัวตายจะมันจะตามมาเอาอกฎหมายเออขออภัยครับกฎหมายฆ่าตัวตายใช่ครับอาจารย์ครับกําลังจะมาครับ เพราะว่าเวลาแก่เจ็บแล้วมันรักษาโรคไม่ได้หาความสงบไม่ได้ก็ไมรู้จะอยู่ไปทําไมเพราะว่าฆ่าตัวตายจะแก้ปัญหามัไม่ได้แก้ปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่ใจที่ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บพอแก่เจ็บก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเอาธรรมะมาแก้ดีกว่าแก้ความอยากได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บได้ใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะอยู่อยู่กับความแก่อยู่ความเจ็บความเจ็บได้ เรงสามารถทาคุณนําประโยชน์ได้ต่อไปด้วยครับต้นใหม่ทุกครั้งจนติดของที่เขาให้เรามาแล้วเราเอามาใส่บาตรทำบุญเราจะได้บุญไหมครับถ้าเป็นของเราแล้ว เ, เอาไปทำบุญต่อแล้วก็ได้บุญวันนี้ตอนเชา้ารถติดไฟแดงอยู่มีมอเตอร์ไซค์มาเคาะกระจกหลายโหนสุดท้ายตัดสินใจเปิดกระจก เขาบอกว่าเขาของเงิน20บาทเพื่อไปซื้อยาอย่างนี้ควรให้เขาหรือไม่ครับถ้าเชื่อเขาไห้เข้าไปถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องให้แล้วเขาพูดจริงหรืมไม่จริงเรียนถามพระอาจารย์ครับลูกชายเสียได้หลายเดือนแต่เหมือนว่าเขายังอยู่กับเราตลอดเวลาเลยครับอ่าไม่ครับคชค่างที่ของเราเองนะเขาจะอยู่ไม่อยู่แล้วเ ร, เราพิสูจน์ไม่ได้ ถ้าเราไม่มีอภินยาไม่มีความสามารถที่จะติดต่อเขาได้เราก็จะไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่าเวลาสวดแม่อุทิศบุญและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรของลูกได้ไหมครับของแผรของมันและการแผ่เมตตาเี่ต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดคือต้องไปหาเจ้ากรรมในเวรคนไหนที่เราคิดว่าเป็นขั่วอะไรกัเราเราก็ถามเขาตรงๆเลยว่าคุณต้องการอะไร ต้อการเงินต้องการฆ่าฉันเลยเอาย อ, ยอมยอมทุกอย่างอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาขอถามเพื่อใช้ในการศึกษาทางปรัชญาครับหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรในเรื่องการสละโลกอ้อนี่มันถามไปแล้วถามไปแล้วหากเราต้องไม่ได้พบเจอลูกแล้วและเราที่ถึงห่วงกังวลและเศร้าหมองเราจะทำอย่างไรดีครับกนทางว่าไม่มีทางก็จบ ความจริงไม่อยู่ความจริงถ้าไปอยู่กับความอยากก็จะทำให้เศร้าโศกเสียใจยไปเลยความจริงก็คือมันไม่มันไม่ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วโลกเราหายไปแล้วจากจากโลกนี้ไม่กลับมาอีกแล้วการรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นการเกิดและดับผลบุญจะต่างจากการนั่งสมาธิให้จิตสงบไหมครับก็ ต, ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราใช้ปัญญาความทุกข์ที่เกิดจาก การใช้ปัญญาดับมันจะดับอย่างถาวรแต่ถ้าเอาใช้สมาธิความทุกนี้จะดับช่วงขณะที่เราอยู่ในสมาธิาเวลาออกจากสมาธิมาความทุกข์ที่เราดับด้วยสมาธิก็จะกลับโผล่ขึ้นมาได้ถ้าเพื่อนเอาของมาไว้ที่บ้านเรานานหลายปีแล้วอยากเอาไปคืนมากเพราะไม่กล้าทิ้งแต่ตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้แล้วครับอาจารย์ก็เก็บไว้ต่อไปก็แล้วกนะัน เวลาทํางานเราก็ทํางานตามหน้าที่และไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่บางครั้งเรากลับรู้สึกโดนเบียดเบียนจากเพื่อนงานทําให้ทุกข์ต้องวางใจอย่างไรครับต้องถือว่าเป็นธรรมดาเราอยู่ในโลกนี้ก็มีการแกล้งแย่งชิงดีนะเป็นธรรมดามีการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากจะเจอแบบนี้ก็อย่ามาเกิดไปอยู่คนเดียวในปา่าน ป่วยครับเรอเยอะมากๆเรอตลอดเวลาน้ำหนักลดไปหาหมอมาหลายท่านก็หาสาเหตุไม่ได้ทุกข์มากครับควรทําอย่างไรครับทําใจยอมรับกับสภาพอย่าพยายากให้มันหายอยู่กับมันไปเพะหมอทุกคนก็ไม่สามารถจะรักษาให้เราได้เราก็ต้องทาใจอยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันใจยังจะเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันทําไมคนที่พูดจา อ่าพูดไม่จริงโกหกครับถึงได้ดีหรือเพราะว่าเขาพูดดีน้ําเสียงเพลาะคนจึงเชื่อถือเขาครับก็อยู่ที่คนฟังนะคนฟังแล้วถ้าหูเบาก็เชื่อเราเพราะก็ได้ดีเลือกเขาเข้ามาในสภาในให้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่เพราะคารลงมึงเขพูดแล้วน่าฟังน่าเชื่อนะยก็โกหกช่างเพเร่เราก็ไม่แล้วก็ไม่สนใจ เราไม่ใช้ปัญญาฟังเราฟังเวยอารมณ์ถูกใจเราเราก็เลยเลือกเขาเข้ามาทำอย่างไรจิตจึงจะเป็นอิสระจากกิเลสและกองทุกข์ครับก็ต้องไม่ ย, ยึดไม่จิตไม่อยากกับอะไรในโลกนี้กลับขอบพระคุณท่านอาจารย์จะน้อมรับคำสอนในขณะที่ด้เนินการรักษาอยู่จะฝึกการปล่อยวางอย่างแน่วแน่นนะครับ ถ้าเราบริจาคเลือดหรืออวัยวะแต่ปรากฏว่าคนรับคือคนไม่ดีเป็นโจรจะ ก, กลายเป็นว่าเราได้รับบาปแทนได้บุญไหมครับหรือไม่เกี่ยวกันครับไ ม, ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันการให้ของเราเป็นการให้ที่ได้บุญสบเสมอไม่ว่าจะให้กับใครธรรมะคือการปล่อยวางไม่คิดมากเลยใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่ง ข, งของธรรมะธรรมะก็คือ ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดอย่าให้มันเป็นตามติดตามความอยากของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันเไป็นไปตามเมื่อของเขาการเดินจงกลมเดินตามความอ่อนนี้มันถามแล้วสงสัยมาถามซ้ําครับอาจารย์บาปที่เคยทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเรายังเด็กอายุสิบห้าจะบาปมากไหมครับ นากวันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่เคยเหว่าสิ่งที่เราทำมันเสียหายมากว่าเท่า ก, การถือทุดงควัตและสํารวมวาจาถือว่าไม่เป็นการสร้างกรรมใช่ไหมครับไม่ละการถือธุดงควัตนี้เป็นการฝึกความมากน้อยสันโดษลดความโลภมากลดความดื้อจี้จุกจิกในการบริโภคปัจจัยเสียของพระ ให้ฝึกให้ยินดีตามมีตามเกิดอยู่ง่ายกินง่ายเลียงง่ายดูแลง่ายไม่ไปสร้างความพารานักให้กับผู้ที่เลี้ยงดูแลคือยาติโยมผู้มีจิตศรัทธาการที่พระไปออกกิจนิมนต์ได้บุญไหมครับก็ทําก็ได้บุญเพราะมันเป็นหน้าที่เวลาเขาเขานิ ม, มนต์ให้ไปสวดเราก็ไปทําหน้าที่สวดให้กับเขา เพราะว่ก่อความสุด ข, ขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ได้เป็นมันเป็นบุญที่มันต่ําบุญที่สูงกว่ามันจะไม่ได้ไปทำก็คือบุญที่ไปภาวนายิ่งถ้าเราภาบปฏิบัติภาบป่านี้ท่านจะไม่นิยมรับกิจนิมนต์เพราะว่ามันได้บุญน้อยกว่า บ, บุญที่ท่านไปปฏิบัติในป่าอยู่คนเดียวมากกว่าบุญคนระดับกันไม่ว่าภาบส่วนไปสว่วนคนให้เขาเนี่ยอาจจะเป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึง่งเป็นจิตอาสานับใช้ญาติโยม ญาตโยม อ, อ, อ, อ, อยากจะให้ส่วนเพื่อเป็นสิริมงคลก็ไปส่วนให้กับเขาการที่ได้เกิดมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บอยากถามว่าชาติพบก่อนหน้านี้ได้ทำกรรมอะไรครับก็ทำบาปคนที่ทำบาปน่จะมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมากมากกว่าคนทำบุญนะ คำถามเมื่อกี้แต่ว่าเขาเขียนมาสมบูรณ์ขึ้นครับพระอาจารย์บอกว่าอยากจะบริจา่างกายแต่พ่อไม่เห็นด้วยครับถ้าเขาไปบริจาคอย่างนี้เขาจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปมันร่างกายของเราแต่ไม่ได้บุญแน่แต่ได้ประโยชน์คือเวลาตายไปเขาก็จะได้เอาหัวใจเราไปให้คนคนที่ยังต้องการหัวใจอยู่แต่เราไม่รู้แล้วว่าเขาเขาเอาร่างกายนี้ไปทําอะไรเราเราจะไม่มีความรู้สึกในใจเราว่าเราไม่มีความสุข แต่ถ้าเราให้ตอนที่เรายังไม่ตายตอนนี้เรารู้ว่าอ๋อบริจาคตาไปข้างหนึ่งก็ทําให้คนคนหนึ่งนี่ที่ตาบอดสามารถมีมีดวงตาเห็นอะไรได้แล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนั้นคือบุญผู้ใหญ่ชอบสอนเราว่าธรรมะจัดสรรค์นในความเป็นจริงคืออะไรครับพระบุญกรรมที่เราทำเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ย บางทีเราก็ได้ดิุดได้ดีเมื่อที่เราไม่ได้พยายามต้องการมันเลยมันก็มาหาเราบางทีเราก็ได้เรื่องแต่สิ่งที่เลวร้ายและทั้งที่เราก็ไม่ต้องการมันแต่มันก็มามเป็นธรรมะจัดสรรไปบุญกรรมเป็นผู้จัดสารให้กับเราบุญกับบาปสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐา น, ฐา น, ต, าฐานต่างกันอย่างไรครับสมถะคือทำใจให้นิ่งสงบให้เป็นสมาธิ เป็นการภัพผ่อนจิตใจวิปั ส, สนากรรมฐานเป็นการสอนใจให้ฉลาดให้เห็นตายรักให้เห็นอริยาาสัจสีเพื่อจะได้ปล่อยวางสภาวัธรรมทั้งปวงเรียนถามพระอาจารย์ครับเราสามารถจะสวดมนต์ขณะที่ขับรถได้ไหมครับไม่ควรนะควจะอยู่มีสติจอยู่อาการขับรถจะดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญกว่า ลูกไม่ค่อยมีสมาธิเลยเวลาทําสมาธิจิตฟุ้งซ่านมากเลยจะต้องทําอย่างไรครับต้องฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นพยายามฝึกสติกับมานั่งสมาธใิให้ห้บ่อยบ่อยมากๆในระหว่างวันนี้สามารถฝึกสติได้ทั้งวันเลยเพียงแต่เลือกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่ยาได้ก็จะก็จะได้สติขึ้นมานะเราควรจะล้างความคิดเรื่องการยึดติด การม <American life> ีเงินคือความปลอดภัยของการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างไรครับรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคมากในทางเดินออกสู่เส้นทางธรรมครับก็เงินทองเปนของไม่แน่นอนนบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาะถ้าไม่อยากจะทุกกับเรื่องเงินทองก็ไปอยู่แบบนักบวชนักบวชไม่เีไม่ต้องอาศัยเงินทองอาศัยก็ลำแข้งลำฐานเดินบป็นธรรมะกินอยู่เพล่แต่ก็ต้องอยู่แบบแบบขอทานอยู่แบบน้ำน้อยฉันดอย ตนท้องถ้ายังไม่ถึงกําหนดคลอดแต่มาแท้งก่อนหรือหลุดแบบนี้คนท้องบาปไหมครับถ้าอยู่ที่เจตนาถ้าตั้งใจก็บาปถ้าไม่ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุก็ไม่บาปดับไม่เหลือมีอะไรบ้างครับกิเลสอย่ององางที่ดับไม่เหลือโลกก่อนหลวงราเยศโลกก่อนหลปัญหาอวิชชาอะไรกิเลสนี้จะหมดไปจากใจดับไม่เหลือ เราสวดมนต์นักสมาธิแผ่บุญให้สามีลูกหลานได้ไหมครับได้แต่ไม่เกิดผลเลยบุญน้องของใครของมานเขาเขาต้องทำนั่นเองก่อนตายจิตสุดท้ายต้องคิดอย่างไรให้ไปสู่ภพพรหมที่ดีครับเกิดกลัวขึ้นมาต้องทำอย่างไรครับก็คิดปล่อยวางร่างกายดีสันจะได้ไม่ทุก แต่จะไปดีไม่ดีอยู่ที่บุญที่บาปเราทําไหมถ้าทําบาปมากกับบุญก็ไปที่ไม่ดีถ้าทําบุญมากกว่า บ, บาป ก, ก็จะไปที่ดีเวลาที่พ่อแม่ให้พรเหมือนกับพระสงฆ์ให้พรไหมครับก็เป็นการแสดงความปรารถนาดีให้พรเพิ่มันไม่ได้เกิดจากการให้พรเกิดจากการกระทําของเราเองเราทําความดีเราก็จะได้ผลดีได้ความสุขความเจริญ ทำบาปล้วก <departed. |mt|> ็จะได้ผลไม่ดีได้ความทุกข์ได <ers> ้ความเสื่อมเสียมันไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นพรนี้เป็นเพียงแต่การแสดงเจตนาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเท่านั้นเองแต่มันไม่ไมีไม่มีพรไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเห็นคนไม่น้อยที่นิยมเลือกใส่บาตรพระมากกว่าเนรเพราะคิดว่าพระมีศีลมากกว่าแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องไหมครับ การให้การใส่บาตรเพื่อให้อาหารพระเนรยงก็มีปากท้องเหมือนกันได้บุญเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระแล้วเป็นเนรไม่แต่ให้สุนัข ก, ก็ได้บุญเท่ากันเพราะเป็นการทำทานในการให้เพื่อให้พูกอื่นเขาบรรเทาความทุกข์ยากลำบากคนทำแท้งจะรับผลกรรมอย่างไรครับ ก็อาจจะถูกแทงเ็ไดไปตั้งไปไปรอเกิดในท้องใครก็หนึ่งแล้วอาจจะถึงเขาทําแทงก็ได้เขาไม่ได้เกิดต้องรอไปหาแม่คนใหม่ต่อไปการมีคู่ครองที่ศีลไม่เสมอกันอีกคนมุ่งรวยยิ่งใหญ่มุ่งทํางานสุดโตงอีกคนอยากอยู่แบบพอเพียงสงบสงบได้ฝึกจิตมีทางออกอย่างไรครับ มันต่างมันต่างอยู่เลยเวล า, าสวดมนต์ทอย่างไรจิตจะนิ่งชอบมีเรื่องอะไรเข้ามาตลอดครับก็ไดงถูกใจให้อยู่อาการสวดไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าสวดแล้วมันยังไม่ยอมไปคิดก็สวชดช้าอยู่ก็ได้ถ้าสวชาดช้ามันก็ยังคิดอยู่ก็สวดทีละคาก็ได้ ติติปิโสภะ ก, กาวาอาลังสัมมาสัมพุโทโธแล้วแต่ต้องต้องเมื่ ว, ว่าจจะต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเป็นความตายขึ้นมาตอนนั้นอาจจะขยันสวดอย่างอย่างมีสติเต็มที่เลยก็ได้อย่างแต่ไปอยู่ที่น่ากลัวก็ได้ครับอยู่ที่น่ากลัวไปสวดบนในป่าชา้าดูเลย แร้มีสติดีกว่าส่วนในที่ที่ไม่มนะีไม่มีสิ่งที่น่ากลัวอะไรคือข้อพิสูจน์ว่ า, าศาสนาพุทธถูกต้องตามความจริงครับ ก, การปฏิบัติล้วทำให้ความทุกข์ที่เราเคยมีในใจดับไปได้การดับความทุกข์ของใจ ถ้าพ่อแม่เสียไปทำบุญบ่อยๆเขาบอกพ่อแม่ไม่ได้ไปเกิดจะเฝ้าแต่ข้าวของจริงหรือเปล่าครับไม่จริงเลยไม่มีใครอยากจะเฝ้าข้าวของถ้าได้ไปเกิดที่ดีกว่าเขาไปเกิดหลือมันได้ไปเกิดใหม่เขาไปเกิดใหม่ที่เขาตะวันรารับส่วนบุญเพราะเ้ายังกลับเขายังมีกลับเก่าทั้งอยู่ก็เลยอยากไปไม่ได้ พี่น้องท้องเดียวกันหากจากโลกนี้ไปหมดแล้วชาติต่อๆไปจะได้ไปเกิดเป็นพี่น้องกันอีกไหมครับไม่แน่อาจจะเกิดพบ ก, กันอีกก็นได้อาจจะไม่เจอกันอีกก็นได้สมัยพุทธกาลมีผู้หญิงบรรลุอรหันต์ไหมครับมีเยอะยะเลย อาจารย์เคยพูดว่าในกลุ่มซูมสอนธรรมเป็นพวกที่มีบุญบา ร, รมีถึงได้เข้ามาถามธรรมะได้ตอนแรกไม่เข้าใจหลังๆมาเข้าใจแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องกันละความอยากรูบรถกลิ่นเสียงเลยแต่ในกลุ่มซูมแหละพระพระอาจารย์เข้าใจทุกคนครับในปัญญาในความรู้พระที่ดูดวงผิดกิจของพระไหมครับ ม่ใช่หน้าทีพระพระในหน้าที่สอนธรรมะออโยมโยมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์ท่านสนใจธรรมะหรือมาถามธรรมะพระอาจารย์แบบที่ลูกศิษย์ทั่วไปทํพาพระอาจารย์บ้างไหมครับแล้วขอสมหวังคำถามนี้ด้วยคับไม่อยากจะไปพลาดเพลงกับท่าน น, ะนิวรที่เป็นตัวอุปสรรคในการปฏิบัติคือความง่วงจะแก้ไขอย่างไรครับ ก็ต้องกินให้น้อยๆเช่นถือสีนแปดสินสินข้อหไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้ายัางง่วงอยู่ก็อาจจะต้องลดไม่กินเลยก็ได้อดอาหารไปสักกินวันนั้นวันก็ได้ต้องให้มันหิวเวลามันหิวแล้วมันจะไม่ง่วงสวดมนต์แต่ไม่เข้าใจความหมายได้บุญไหมครับถ้ามีสติอยู่อาการสวดก็ได้ได้ได้สมาธิได้สติ ขอคำแนะนําขั้นตอนการทําวิปัสนาครับวิปัสนาคือการสอนใจให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถเก็บไว้ให้เป็นของเราได้การฝากตักบาตรทางออนไลน์ได้บุญไหมครับได้ในใจคิดกลัวตายไป ไม่ดีไม่รู้ว่าเคยทําอะไรมาบ้างเราควรแก้อย่างไรดีครับต้อพยายามทำดีให้มากๆให้มากกว่าการทำบาปเราจะได้มั่นใจว่าเราจะได้ไปดีนั่งภาวนาพุทโธเกิดกุศลหรือบุญได้อย่างไรครับถ้าใจสงบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้คือบุญบุญคือความสุขใจถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้ผลบุญ แต่ก็ต้องนั่งไปก่อนต้องต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อนพ้นนิยตา ม, มาได้ถ้าสมองตายแล้วยากตัดสินใจบริจาคร่างกายเจ้าของร่างกายดันได้บุญไหมครับพม่ทราบว่าตายหอย่างตอนแทบสมองตายเพราะตามหลักของพุทธศาสนาเราดูที่ลมหายใจมากกว่าถ้ายัางหายใจอยู่ยังถือว่ายังไม่ตาย ศาสนาครปเป็นแค่กระบวนการทางใจอย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่คําตอบทั้งหมดของโลกใบนี้ใช่ไหมครับเป็นคําตอบเฉพาะความทุกข์ใจศาสนาสอนให้ดับความทุกข์ของใจเพียงอย่างเดียวอย่างนื่นไม่ได้สอนไม่ไม่ต้องไม่ต้องสอนไม่ต้องรู้ก็ได้เจอเจ้านายที่ไม่มีจิตเมตตาลูกน้องไม่ชอบทุกคนเบื่อมากเลยครับขอคําแนะนําครับ ก็ต้องทําใจเราอยู่ในนู่นนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันมาเราไปเปลนเขาไม่ได้ทําไมองค์ุลิมานฆ่าคนมาตั้งเยอะน่าจะบาปมากแต่อย่างบราางรลุพระอรหันได้ครับเพราะเขาถูกเราไงเขาถูกเราว่าการจะบรรลุธรรมขั้นสูงนี่ต้องฆ่าคนถึงว่าเก่งมีความสามารถสูงแต่เพราะว่าเจอพระเจ้าบอสฆ่าผิดคนสีนี้ต้องฆ่าไม่ใช่คนแต่ฆ่ากิเลส ผันเป้าเป็นเป้าจากการไปฆ่าคนมาฆ่าที่เลสเขาก็บรรู้ทําได้เลยทําบาปไปแล้วเช่นฆ่าคนหรือทําแท้งไปแล้วแต่ไม่ได้ทําอนันตริยกรรมห้ายังมีโอกาสเป็นโสดาบันได้ในชาตินี้ไหมครับชาตินี้คงไม่ได้ไม่รู้จะตายไปยังเจอได้หรือไม่ได้นี่ไม่แน่น่อาจจะถ้าสามารถเป็นแบบองค์ุลิมานก็ได้ กือมานก็ยังบราารลุเป็นพระอรหันได้แต่แล้วต้องกลับใจแล้วต้องกลับมาฆ่าสิ่งที่เราควรฆ่าก็คือต้องมาฆ่ากิเลสให้หมดประหยัดใจคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับพ่อแม่ที่พลั้งปากสาบแช่งลูกด้วยความโกรธจะทําให้ลูกเป็นไจตามปากของพ่อแม่หรือไม่ไมครับนะคนเราจะเป็นอะไรมันอยู่ที่การกระทําของเราเองทําดีทํำชั่วท่านได้เป็นตัว ส่งให้เราไปดีแล้วไปช่วยคนอื่นไม่สามารถมาสานมาแช่งมาส่งเราไปได้ไม่ต้องกังวลพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ518ครับในยู547ในคลับ5ในติกตอก539รวม 1,609 คนครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็มากเป็นปกติเป็นปกตินิดหน่อยเกิเนเกิเนเกครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาธรรม ว, ว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสาหรับการสนทนาธรรมครั้งนี้ก็คิดว่าพอสรรมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดอาูก็ขอลาคุณหมอแลวท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีเหตุขาดเข้าวันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าของจรังพรขอบพระคุณพระอาจารย์ทับ